วันนี้คนจีนมาสองรอยกว่ามาครบไหมแยนไม่ออกคนหน้าตาเหมือนเหมือนกันคนไทยรุ่นหลังๆเนี่ยปนเชื้อจีนเข้ามาเยอะคนจีนเข้ามา แต่ยุทธยาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามามากๆช่วงราชกาลที่ห้าก็มาเยอะถึงขนาดประมาณหนึ่งในสามของคนไทยถ้ามัมาผสมกันกับคนไทยคนไทยจริงๆไม่รู้ว่าคือคนอะไรเพราะว่าเป็นลูกผสม แผ่นดินตรงนี้มันเป็นแผ่นดินที่เป็นทางผ่านมีลูกผสมของของมอนของขอมขอมก็ไม่ใช่เขมรของสรีวิชัยทางจักรต่างใต้ของลาวแล้วก็ประเทศที่ไกลออกไป รวมพวมแล้วใครมาอยู่ตรงนี้คนไทยรับหมดเดี๋ยวนี้ไปผสมฝรั่งผสมอะไรก็เยอ ะ, ะ ล, ลูกครึ่งเลยเพวกนี้หน้าตาคนไทยตอนนี้เปลี่ยนเป็นเกาหลีมีเงินเราก็ต้องไปผ่าหน้านเปลียนจุดแข็งของ เมืองไทยก็คือมีวัฒนธรรมที่ปรับตัวได้อะไรมานะเราปรับตัวได้ตลอดสมัยดึกดำมันทางาศาสนาเนี่ยคนไทยก็นับถือผีเหมือนกับทุกๆประเทศนับถือผีพอฮินดูเข้ามาเราก็ยกผีขึ้นเป็นเทวด า, าศาสนาพุทธเข้ามานะ แลาก็รับศาสนาพุทธเข้ามาด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคนหลายชาติหลายศาสนาอะไรอยู่ร่วมกันมาร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดไม่แบ่งเขาแบ่งเราร่มเยน็นเป็นลักษณะพิเศษของคนไทย คนไทยจริงๆก็คือคนหลายๆชาติเนี่ยรวมกันงันคนไทยหน้าหน้าตาก็เหมือนคนจีนดูอีกทีก็เหมือนอะไรอ่ะดำๆหน่อยสายมอนพม่าะอะไรตมีทั้งนั้นอะ่ะคนไทยเก่งชาติไหนเข้ามาก็ผสมกันเขาหมดะเก่ง น่าเหมือนฝรั่งก็มีเยันขอต้อนรับคนจีนว่างๆถ้ามีเวลาพาไปทัศนาจรรอบรอบมัดเนี่ยเต็มไปด้วยหวงสุยเป็นหลักฐานยืนยันผีแถวนี้นอนอยู่รอบรอบบัดเนี่ย ใี่พวกเราอุตส่าห์มาเข้าคอร์สเราไม่ได้มาเรียนปรศพสตร์หรืออริยธรรมเราจะมาเรียนศาสนาพุทธศา ส, สนาพุทธจริงๆในเมืองจีนกมนะ็มีแต่ว่ามันเดินทางไกลมันมีความแตกต่างจากคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าทีนะ่เข้ากระกจายออกไป อย่างศาสนาพุทธจริงๆมาอยู่เมืองไทยนะก็ต่างออกไปเพราะมาผสมผสานกับเรื่องเทวดาเรื่องผีมันจะไม่เป็นพุทธแท้ๆหรอกปนๆกันคนไทยไหว้หมดนะไหว้พระก็ไหว้ไหว้สันเจ้ า, า, า, าก็ไหว้ไหว้กระทังต้นไม้ต้นตะเคียนใหญ่ๆอลไคนก็ไหว้ไหว้หมด ลูกบัว อ, ออกมามีสองหัวคนไทยก็ไหว้นะเงินแปลกจิ้งจกสองหางไปทํารูปจิ้งจกสองหางขึ้มาเอามาห้อยคอนะ <c oughs> นะหน้าฮินดูเงินจริ ง, รงๆแล้วเราจะเป็นชาวพุทธแท้ๆได้นะต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงพระไตรปิฎกสอนยังไงพระตรปฏิปิดกเ ท, ทรวานะ มีความน่าเชื่อถือสูงนะเพราะว่าสืบทอดของดั้งเดิมมาจากพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็เคยอ่านพระสูตรของมหายาณอ่านแล้วรูมสำนวนที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดศรัทธามีจำนวนมากเนื้อธรรมนะนันก็เนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ คร้ายเปลี่ยนกล่องที่ใส่ให้คนจีนรับได้ก็ไปเมืองจีนไมปปนกับเตา๋าปนกับคงจือ๊ออะไรเงี้ยเป็นศาสนาพุทธที่ผสมเหมือนกันนีลักษณะเด่นของศาสนาพุทธนะก็คือถ้าเมื่อไรไปผสมกับสิ่งอื่นดัดแปลงไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ก็จะไม่ใช่ธรรมะแท้ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติคือหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพระสัจธรรมคือธรรมะที่แท้จริงเนเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตของปุถุชนมันจะกลายเป็นธรรมะปลอมเรียกว่าสัจธรรมปฏิรูปงั้นยิ่งเอาไปผสมกับลัทธิอื่นๆมันกลายเป็นสัจธรรมปฏิรูปไปหมดเราต้องเรียนนะ เพื่อให้รู้ว่าหลักธรรมจริงๆเป็นยังไงอันแรกเลยคือขอบเขตของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเพื่อความดับสนิทอย่างทุกข์นี่คือจุดหมายปลายทางที่เรามาเป็นชาวพุทธเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์อะไรที่เกินจากเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์ เรื่องความดับสนิทของทุกเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความผนทุกอันนั้นไม่ใช่พุทแท้คําสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยอยู่ในสี่ประเด็นเองเรียนเรื่องทุกนะให้เข้าใจว่าอะไรคือตัวทุกเรียนเรื่องเหตุของตัวทุกเรียกว่าตัวสมูทยัยเรียนเรื่องนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุก เรียนเรื่องมรรควิธีปฏิบัติเพื่อจะดับตัวสมุทยัยเพื่อจะดับเหตุของทุกมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้เกิดนิโรธนะไม่ใช่ตรงตรงอย่างนี้มรรคที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อดับเหตุของทุกเมื่อเหตุของทุกดับสนิทไปแล้วจิตมันก็ถึงนิโรธคือถึงความพ้นทุกโดยอัตโนมัติเราเรียนสี่เรื่องนี้ เรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สี่อย่างถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่าศาสนาพุทธไปอยู่เมืองจีนไมันมีเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องอะไรเรื่องมากมายจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งละมันเบี่ยงประเด็นออกไปพระพุทธเจ้าสอนเราให้พ้นทุกข์ แต่พอไปถึงเมืองจีนมันเป็นเรื่องจะไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์เน้นไปตรงนั้นจะไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ธรรมดีไหมดีจิตใจดีจิตใจสูงแต่มันไม่ตรงเป้าหมายที่แท้จริงดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงของท่านเนี่ยรวมลงในอริยสัจสี่ อริยสัตสคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับสนิทของทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความบ้นทุกข์นี่เรื่องอริยสัตสท่านบอกว่าธรรมะของท่านเนี่ยทั้งหมดเลยคําสอนของท่านทั้งหมดเนี่ยรวมลงในอริยสัตสีงั้นบางทีท่้ก็แจกแจงตัวทุกข์ออกไปกว้างขว้างวิธีแจกแจงสมุทยัยตัวเหตุของทุกข์กว้างขวางตัวนิโรธตัวนิพพานก็ไม่ค่อย อธิบายมากกลัวพวกเราสับสนตัวมักแจกแจงออกไปเยอะแยะเลยมีเรื่องศีลเนสมาธิเรื่องปัญญาศีลก็แยกแยะออกไปได้หลายอย่างศีลนะเป็นข้อข้อเรียกปาติโมกสังวรศีลศีลนะที่เกิดจากการมีสติรู้เท่าทันจิตใจเวลามีการกระทบอารมณ์ ทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจเระยออินทรีย์สังวรศีลเรื่องการดำรงชีวิตธรรมหากินนะอย่างสุจริตเนื่องว่าอาชีวะปาริสุทธิศีนะลเรามีอะไรอีกสีหนึ่งนะอะไรจำชื่อไม่ได้คือปัจจัยปัจจัยนิสิตนิสิตศีลนะเวลาที่เราจะบริโภค ปัจจัยสีเราจะกินข้าวเราจะใส่เสื้อผ้าเราจะกินยาเราจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจะเข้าบ้านพี่ารนาก่อนว่าเราทำเพราะอะไรไม่ทำเพราะกิเลสพาทำทำเพราะจำเป็นนี่เป็นสีน่ในชนิดหนึง่งวัตมีหลายแบบมีสีอย่างตัวที่สำคัญที่สุดนะคืออินเสียสังวรศีมีสติ รู้เท่าทันใจของเราเองเวลากระทบพารมณ์ไปศีลที่มีเศษมากๆเลยสำหรับการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเรื่อฝึกมากๆแล้วต่อไปเราจะได้ศีลอีกชนิดหนึ่งเนี่ออริยกันตศีลอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าชมเชยศีลที่ไม่ต้องลำบากในการถือกระพร่องกระแ่งค่อยๆฝึกไปเรื่องสมาธิ เรื่องสมาธิก็ต้องเรียนให้รู้วัตถุประสงค์ของการฝึกสมาธินี่เพื่อให้จิตมีความสามารถมีความพร้อมที่จะเจริญมิปัสสนาหรือเจริญปัญญานี่เรื่องของสมาธินี่สมาธิมีหลายแบบสมาธิอันหนึ่งขาดสติสงบอย่างเดียวแต่ไม่มีสติหรือออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกไม่มีสติอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่เอา อย่างที่เรานั่งไหว้เจ้านั่งสวดมนต์อะไรใจเราไปคิดถึงเทวดาองเทวดาอลยอันนี้ใจไปงนอกนะไม่ใช่สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกมีสองอันอันหนึ่งก็คือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเ น, นื่องมีสติอยู่อันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิ อีกชนิดหนึ่งเนี่ยจิตตั้งม่่นเป็นคนดูไม่ใช่อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วแต่จิตเนี่ยทรงตัวเป็นคนดูอยู่เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตอนนี้น เ, นเราจะเดินวิปัสนาด้่สมาธิชนิดนี้สมาธิทช่จะพักผ่อนนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นคนดู จิตเป็นหนึ่งก็คือทำหน้าที่เดียวทำหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงนี่เราก็ต้องฝึกให้ได้สมาธิสองตัวนี้ขึ้นมาส่วนสมาธิเคลือบเคลิ้มขาดสติอะไรพวกนั้นไม่ต้องฝึกมันมีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วลวะของเราไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับอะไรเงี้ยนะใช้ไม่ได้ขาดสติเนื้อนั่งรู้เน้รู้ตัวไปถ้าต้องการให้จิตสงบพักผ่อนแล้วก็น้อมจิต ปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องรู้อยู่ที่จิตได้ไหมน้อมจิตไปรู้อยู่ที่จิตก็ได้ใช้จิตเป็นอารมณ์ความมันานก็เป็นวิญญาณอัญชัยตนะเป็นสมาธิอย่างหนึง่งสงบอยู่สบายอยู่กับจิตหรืออยู่ในความว่างอะไรเงี้ยก็ทำได้มีเยอะแยะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ไม่ขาดสติ ถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ ง, นนงแล้วขาดสติเป็นมิจฉาสมาธนะิถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งนะก็เรียก ว, ว่าไม่มีสมาธิเลยจิตถ้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วมีสติถึงจะเป็นสัมมาสมาธนะินี่หลวงพ่อให้ดูภาพคว้างๆ ก, ก่อนเราก็ต้องรู้วิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิเวลาที่จิตต้องการพักผ่อน ก็พาจิตพักผ่อนได้เวลาพักผ่อนพอสมควรแล้วกนะ็พาจิตมาเจริญปัญญาก็าใช้สมาธิชนิดเจริญปัญญาเนี่ยต้องเรียนอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึกเอาอันที่สามก็คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาปัญญามีสมแบบ ป, ปัญญาที่หนึ่งปัญญาจากการฟังการานการดู อย่างดู uku, ยูคูอะไรเงี้ยนะ YouTube, ยูทอะไรเงี้ยฟังที่หลวงพ่อเทศอันนี้เป็นปัญญาจากการอ่านการฟังไม่ลดละกิเลสอ่านมากฟังมากกิเลสเร่งแรงกว่าคนธรรมดาอีกรู้สึกกูเก่งนะกูรู้มากกว่าคนอื่นปัญญาอีกอย่างหนึ่งเกิจากการคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารคิดเอาปัญญาอย่างนี้ก็ไม่ล้างกิเลสล้างกิเลสไม่ได้จริง เพราะว่าเวลาคิดเนี่ยเราคิดด้วยจิต ท, ที่มีกิเลสมันก็คิดไปตามกิเลสบงกการให้คิดนั่นแหละเชื่อถือมันไม่ได้ปัญญาที่เราจะต้องฝึกขึ้นมานะเรียกว่าภาวนามมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้อ ง, องแล้วเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะเห็นความจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้น ของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นของจิตเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาเต็มทีนะ่แล้วในส่วนของศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ในอริยสัจในเรื่องของมรรคเรื่อนะอริยรสัจสี่ข้อเรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเรื่องทุกข์เราก็ต้องเรียนอะไรที่เรียกว่าทุกข์อกหักรักคุดอะไรนี้ไม่ใช่คําว่าทุกข์ ในอริยสัจสี่เป็นทุกข์ธรรมดาของโลกหิวข้าวแล้วเป็นทุกข์ไม่สบายเป็นทุกข์อันี้เป็นทุกข์อย่างโลกโลกสิ่ที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นสับเฉพาะเลยก็คือตัวรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี้แหละคือตัวทุกข์ร่างกายนี้แหละคือตัวทุกข์จิตใจนี้แหละคือตัวทุกข์เพราะเราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกขนะ์ เราไปหลงผิดว่ากายนี้ทุกบ้างสุกบ้างจิตก็เกิดความอยากขึ้นมา Thompson: เพราะไม่รู้ทุกน่ะก็เลยเกิดสมูทยัยเกิดความอยากอยากจะมีแต่ความสุขอยากจะไม่ให้มันมีความทุกขเกิดขึ้นเนี่ยเพราะไม่รู้ทุกมันก็เลยเกิดสมูทัยขึ้นมาถ้าเมื่อไรรู้ทุกแจ่มแจ้งนะ่ะกายนี้เป็นตัวทุกใจนี้เป็นตัวทุกสมูทัยคือความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุก ความอยากให้กายให้ใจมีความสุขจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใจปราศจากความอยากใจไม่มีความอยากเนี่ยใจจะเข้าถึงความสงบสันติที่เรียกว่านิพพานเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นปัญหานิพพานคือสภาวะที่สิ้นอยากเมื่อไรใจละหมดความอยากด้วยปัญญาอันยิ่งคือรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกเนี้เรียกว่าวิชามีชื่อเรียกว่าวิชาทําลายอาวิชาคือความไม่รู้ความจริงในเรื่องของทุกสมูทายนิโรธมากลงได้นี่ปัญญาตัวนี้จะเกิดกอาศัยการเจริญมรรคมีศีลเป็นพื้นฐานทําให้ใจสงบสุขมีใจที่สงบสุขใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือเจริญปัญญาเมื่อปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วอริยมรรคก็เกิดขึ้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะล้างกิเลสในจิตใต้สํานึกของเราจนหมดล้างเป็นส่วนๆไปเป็นพระโสดาก็ล้างกิเลสในส่วนลึกของเราได้สามตัวคืออันแรกความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, ม ต, มตนเรามีอยู่ คนอื่นมีอยู่สัตวื่นมีอยู่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะอันที่สองล้างความหลังเลสงสัยในพระรตนาไตรอันที่สามล้างความหลงผิดในการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติต้องทําอย่างนี้อย่างนีนะ้จะรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่แท้จริงไม่เกินจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องหรอกเนะี่ยจะล้างกิเลสสามตัวนี้ได้แล้วต่อมา เกิดอริยมรรคครั้งที่สองสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นแต่ยังไม่ล้างกิเลสสําคัญสําคัญเพิ่มขึ้นเกิดอริยมรรคครั้งที่สเป็นพระนาคามีจะล้างการมราคะได้กับปฏิฆาความขัดเคืองใจคือความหลงชอบหลงชังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่รางกาย แล้วบางทีสิ่งมาสัมผัสเราก็ชอบนะเน้นเรามีการมาราคะที่มาสัมผัสเราไม่พอใจหงุดหงิดอนะันนั้นเรียกว่าปฏิฆาพระอนาคาจะล้างตัวนี้ได้นะเพราะไม่ยึดถือกายล้วนั่นเองจะเห็นความจริงของกายกายนี้คือถูกลนล้นแล้วขั้นสุดท้ายเป็นพระอราหันต์จะล้างกิเลสที่เหลือทั้งหมดนะล้างกิเลสที่เหลือทั้งหมดได้ก็ไม่มีกิเลส ที่จะต้องต่อส้อีต่อไปเนี่ยมันจะมีพัฒนาการเนะบื้องต้นเราค่อยมาฝึกล้างกิเลสเบื้องต้นกันกิเลสตัวแรกเลยที่ต้องล้างให้ได้นะก็คือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเห็นผิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราเห็นผิดว่าจิตใจนี้คือตัวเรานะเนี่ยงานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อให้เห็นความจริง ว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวธรรมที่มีขึ้นเพราะมีเหตุเมื่อเหตุหมดมันก็ดับไปอยู่ชัวครั้งโชัวคราวไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรไม่มีงั้นอย่างพระพุทธเจ้านะท่านไม่สอนไม่เน้นให้พวกเราไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นฟลุมไปเป็นเสียนอะไรเงี้ยไม่เน้น เพราะว่าถึงไปเกิดเป็นอะไรนะอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ต้องตายเป็นเทวดาก็มีกิเลสมีความทุกข์นะเวลามีกิเลสจะมีความทุกข์เชื่อไหมตรงนี้เชื่อไหมว่ามีกิเลสแล้วจะมีความทุกข์เวลาใจเราโลภออกมามีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาใจเราโกรธมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาใจเราหลงนะมันรู้สึกมีความสุขนะหลงลงอยู่ เราเข้าจริงดูให้ดีมันถูกข์นะใจมันที่ิรนโจรพลั้นพลัานพลันพล้นเหมือนหมาบ้าหรือที่นิรน์โเหมือนหมาถูกคนเอาน้ําร้อนสาดใส่วิ่งพลัานพลนไปใจอย่างนั้นไม่มีความสุขแล้วเทวดามีกิเลสไหมใครเคยดูหนังอินเดียบั้งเห็นไหมถ้าเราไปบําเพ็ญตบะเทวดาชอบใจเทวดารักจะให้พร ให้ผ่อนแล้วเทวดาปวดหัวทุกทีเลยะให้พ่อนพวกอสูรเทวดาโกรธไหมฤาษีโกรธไหมแช่งไหมทําไม่ถูกใจแช่งเลยยังมีกิเลสอยู่ตราใดที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์อยู่นะให้พ้นพวกเซียนยังมีกิเลสไหมไม่มีคงไม่ลบกันหรอกนะเซียนก็ต้องสู้กันเหมือนกัน รับได้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะความทุกยังไม่หมดไปหรอกอันนี้ไม่ได้ไปดูถูกใครคนนะแต่ว่ามัเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองลองดูสิเวลากิเลสเกิดในใจเรามันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ลองดูเข้าไปดูให้มันเห็นท่องแท้นะอย่างบางทีราค้าเกิดเราดูว่ามีความสุขเราดูตื้นไปเราดูไปเถอะเวลาราค้าเกิดนะ้ใจิตใจที่มีความสุขนะนะั้นเอาเข้าจริงแล้วมันเสียสมดุลของมัน มันกับเพื่มมันไว้จิตที่ก็บเพื่มมันไว้นะไม่มีความสุขจริงนี่เราสังเกตเท้าไปเถอะกิเลสเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนะกิเลสก็มีกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสหยาบหยาบก็โลภโกรดหลงกิเลสหยาบหยาบโลภแรงแรงโกรดแรงแรงหลงแรงแรงกิเลสอย่างกลางก็เรียกพวกนิวรเป็นกิเลสที่แฝงตัวอยู่ในกมลสันดานของเรา วนิวรณ์มันสะสมไว้แล้วเวลากระทบอารมณ์นะให้นิวรณ์นี่ถูกกระตุ้นมือนก็พุ่งขึ้นมากลายเป็นกิเลสหยาบหยานิวรณ์เนี่ยก็คล้ายๆตะกอนที่อยู่ก้นตุ่มน้ําเมืองจีนยังใช้ตุ่มน้ําอยู่บ้างไหมมีถังใส่น้ําแล้วใส่ทิ้งไว้นานๆนะั้นมันมีสิ่งโส โ, โรครกมีตะกอนอยู่ก้นตุ่มเวลาเราไปกระทบน้ําเข้านะหรือกระทบตุ่มน้ำเข้า น้ำมันกระชอกระชอนะตะกอนมันก็ขึ้นมาอนุยัยมันก็เหมือนตะกอนที่ส่อนอยู่ใต้ตุ่มน้ำที่ส่อนอยู่ในใจเราพอถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมาใจมันสตเตือนขึ้นมานะตะกอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาลอยขึ้นมากลายเป็น โ, โรบปวดหลงขึ้นมาเป็นน้ำสุกปลกให้เราเห็นได้ขึ้นมานี่บอเนี่ยเราจะสามารถ ข่มมันได้ด้วยพลังของสมาธินะกิเลสหยาบๆเนี่ยเราสู้มันด้วยศีลหมายถึงว่าขณะนั้นจิตใจเรายัางอ่อนแออยู่กิเลสมีกําลังแก่กล้ามากเราไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้เราก็รักษาจิตไว้ไม่ยอมทำตามที่กิเลสมงการนี่คือตัวศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ให้ทำตามกิเลสนะสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มากดขี่บังคับจิต ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดลากถอนโคนกิเลสนะเป็นเครื่องต่อสู้กิเลส ช, ชั้นละเอียดเงั้นเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสทุกๆชนิดนั่นเองถ้าเรามีศีลอย่างเดียวเนี่ยเราสู้กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดไม่ได้อย่างคนถือศีลเนี่ยนะเซลจัดเซลจัดเซลจัดมันก็กิเลสนั่นแหละมีความอาหังการอาหังการ มีมานะตารุนแรงมีอัติมานะกูเหนือกว่าคนอื่นก็คือกีเลสแต่ว่าถือศีลไว้ในใจนี่ลำพองว่ากูเก่งกว่าคนอื่นศีลช่วยอะไรไม่ได้สมาธิก็ช่วยไม่ได้ยิ่งทำสมาธิยิ่งลำพองมากต้องอาศัยปัญญาวิปัสสนาเนี่ยเรียนรู้ลงไปเลยจิตที่ลำพองเนี่ยจิตเสียสมทุนจิตกระเพื่อมวันไหวจิตถูกกดดันจิตไม่มีความสุข ก็จะเห็นเลยว่ามันถูกวะกิเลสนี่นำความทุกข์มาให้จิตจริงๆไม่ค่อยๆเรียนไปส่วนตัวโมหานี่นะร้ายที่สุดเลยโมหายบหยาบนี่ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกมันเป็นพ่อเป็นแม่ของราคะโทสะโมหะที่ละเอียดที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าขันห้ากายนี้ใจนี้รูปนามเป็นถูกนะไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ถูก เราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์พวกเรารู้สึกไหมร่างกายมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเราเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะเรายังไม่มีปัญญาทองแท้ถ้ามีปัญญาทองแท้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเวลาทุกข์น้อยเนี่ยคนทีส่สติปัญญาไม่ถึงก็จะคิดว่าร่างกายมีความสุข ในความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่จะให้แตกสลายไปทําไมหนาวหนาวเราจะต้องส่มผ้าเพราะความหนาวว่าทาให้ร่างกายนี้แตกสลายตายได้เวลาร้อนร้อนใช่ไหมทำไมเราต้องหาทางหลบเลี่ยงความร้อนที่ทุนแรงความร้อนก็ทําให้เราตายได้ความหิวก็ทําให้เราตายได้ความกระหายก็ทําให้เราตายได้ ในความเป็นจริงแล้วร่างกายนะที่ว่ามีความสุขมีความสุขเพราะมันหลงอยู่ร่างกายเนี้ยตายเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อเคยเจอบางคนนะเป็นแม่ครัวทำอาหารอร่อยทำเค็งวันหนึ่งเด็กกินข้าวายังเป็นคนแข็งแรงยังสาวๆอยู่เลยกินข้าวแล้วเกิดสำลักขึ้น ม, มาอาหารเนี่ยเข้าไปอุดหลอดลม ตายในห้านาทีคนที่แข็งแรงเนี่ยหายใจไม่ได้นะตายในห้านาทีอาหารมันอุดหลอดลมขึ้นนึงใครก็นึกไม่ถึงว่าคนนี้จะตายเร็วนะบางคนแก่เจ็บกระสอบกระแซไม่ยอมตายคนหนุ่มคนสาวตายไปก่อนเพราะนจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยพร้อมที่จะแตกสลายหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตายหิวไปก็ตายนะอิ่มเกินไปก็ตายอีก อย่างตาชูชกอิ่มเกินไปตายจุกตายไม่รู้จักอาเจียนออกมานะคงเสียดายกินเนื้อนะร่างกายนี่เป็นของแตกสลายง่ายเรามาพาวนาเพื่อจะได้เห็นความจริงร่างกายนี้เอามาเป็นที่ยึดถืออะไรไม่ได้จริงรอบมันไม่รงทนถาวรความสุขที่อาศัยร่างกายก็ยิ่งไม่คงทนใหญ่เพราะร่างกายยังไม่คงทนเลความสุขที่อาศัยร่างกายไปหา คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสร่างกายมันจะไปดีพิเศษได้ไงในเมื่อตัวร่างกายเองไม่ใช่ของดีของอิเศษเพราะฉะนั้ใจมันเห็นความจริงของร่างกายอย่างงแท้นๆะว่าคือตัวทุกเนี่ยใจจะล้างกรามาราคะกับปฏิฆะได้เป็นพระนาคามีเพราะสิ่งที่มากระทบกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะสิ่งที่สัมผัสกายมันจะมีความหมายอะไรในเมื่อกายเองเป็นตัวทุก นี่ถ้าเราพราวนาต่อไปอีกปัญญาแก่รอบถึงที่สุดจะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์พวกเรายัางไม่เห็นเพราะเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยเดียเด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เป็นไหมบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์เราเห็นได้แค่เนี่ยเมื่อจิตยังเห็นว่ากายนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างจิตนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็เกิดความอยากขึ้นมามันอยากได้ความสุขอยากจะหนีความทุกข์ นะตันหาก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ความจริงมีอวิชชาไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็เลยเกิดตันหาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แล้วก็เกิดพฤติกรรมมากมายนะเพื่อจะสนองตันหาอันนี้เช่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินนะไปทัศนาจรไปเมาส์กับเพื่อนไปเล่นอินเทอร์เนต็ต ไปเที่ยวซ่องทเที่ยวบาเดี๋ยวนี้ยังมีไหมซ่องสมัยโบราณมีเดี๋ยวนี้มีไหมใครรู้บ้างไม่ยอมเสียท่าเลยเนาะเนี่ยดิ้นรนไปนะสแสวงหาไปหรือไปนั่งสมาธินั่งสมา ธ, มาธิหวังว่าจะมีความสุขมันก็มีความสุขตอนนั่งสมาธิออกจากสมาธิ อ, อารมณ์รายอีก ลงไปดูหนังแขกนะหรือสีนั่งสมาธิอยู่แล้วมีใครมากวนนะออกจากสมาธิสาบเลยขอให้เองเกิดเป็นกวายังไงนี่นะแช่งมันให้มันพินาศร่มจมทำไมนั่งสมาธิดูมีความสุขดูมีความสงบดูมีความดีพอออกจากสมาธิเรารายสมาธิมันข่มกิเลสอยู่ท่านเองมันไม่ได้ล้างกิเลส เพราสมาธินะก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงนะเราจเจริญปัญญาไปจนเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับาทุกข์น้อยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับาทุกข์น้อยถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความอยากไม่มีความดิ้นรนของใจจะไม่เกิด ความดิ้นรนของใจนี่มีสัพ์เรียกว่าพบพบพบนะสจิณจะไปแปรไงก็ไปแปรกันเองมีไม้คมคําว่าพบก็มีใช่ไหะเนี่ยพบมันก็คือการที่ใจมันดิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าพบมันเกิดจากตัณหาไปยั่วยุใจก็ดิน้นพอใจดิ้นรนเนียนะเราใจะยึดถือ เราจะหยิบฉวยเครื่องมือในการรู้อารมณ์ขึ้นมาจิตมันจะหยิบฉวยอย่างมันพอใจในรูปนะมันดิ้นรนที่จะดูรูปมันจะยึดตาเวลามันชอบจะฟังเสียงนะมันจะไปยึดหนะูแล้วก็ยึดจมูกยึดลิ้นยึดกายเวลามันจะรู้อารมณ์ทางใจไม่ไปหยิบฉวยใจขึ้นมาไปยึดถือใจขึ้นมาดังน้นจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมา กันได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้ไกายได้ใจมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าชาติพวกเราเคยได้ยินคำว่าชาติไหมเรามักจะชาติไทยชาติจีนใช่ไหมชาติโน้นชาติ น, น, ตนี้คนไทยมีชาติดีชาติชั่วอีกเป็นคำด่านะคำดา่าอย่าไปนึกว่าเป็นประเทศดีประเทศชั่วไม่มีแต่ชาติในความหมายของศาสนาพุทธเนี่ย คือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้มาเยอะขาดไหนจิตมันเข้าไปหยิบเอาเองจิตมันไปหยิบเข้ามาตอนที่มันจะเสพอารมณ์นะจะเสพอารมณ์แล้ว ท, ทันทีที่มันหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจจริงๆก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเองคือรูปนามนั่นเอง เมื่อไรจิตไปหยิบมารูปมานามขึ้นมาจิตก็ทุกเพราะรูปนามคือตัวทุกเนะนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนเจนกระทั่งเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกหลวนหลวนจิตในทุกหลวนหวนเราจะต้องการเรียนตรงนี้เห็นไหมเรียนอยู่ในเรื่องของทุกนะแล้วเราก็จะเรียนต่อไปว่ามันทุกขึ้นมาได้เนะี่ยเพราะใจเราเข้าไปหยิบช่วยเรามีตัณหาตัวสมุ ท, ทยจิตจิต มีความอยากมีความยึดนะมีความทุกข์เกิดขึ้นที่มีความอยากมีความยึดมีความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะความไม่รู้นะเพราะอาิชาความไม่รู้ความจริงว่ากายในี้ใจนี้คือถูกข์ล้วนๆทำไมไม่รู้ก็เพราะเราสะสมแต่กิเลสแล้วทำยังไงจะรู้เราสะสมเราจเจริญมักเราสะสมพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา ฉะนนธรรมาทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในเรื่องของทุกข์เหตุของความทุกข์เรื่องของความดับสนิทแห่งทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์มีอยู่เท่านี้เองเกินจากนี้ไม่ใช่คำสอนที่สำคัญแล้วนะเป็นคำสอนที่ผสมผสานยอมให้อย่างอื่นเข้ามาปนๆแล้วคสอนแท้ๆมีเท่านี้เอง นี่เรียกว่าใบไม้หนึ่งกำ ม, มือใบไม้กำ ม, มือเดียวงั้นถ้าใครก็ถามเราใบไม้หนึ่งกำ ม, มือที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนะี่ยมีกี่ใบตอบให้เสียงดังๆมีสี่ใบคืออริยสัจสีนะ่หนึ่งกำ ม, มือเนี่ยอยาเาใบบัว ก, กระด้งนะมันใหญ่เกินไปกำไม่หมดมันจะบัว ก, กระด้งเใบใหญ่แค่นีนะ้ข้างล่างมีหนามเนี่ยนะกำไม่ได้เอาใบไม้เล็กๆได้ ในหนึ่งกำมือนี่มีสีใบตอนนี้ไปกินข้าวกันนะกินข้าวกันนี่มนอะไรครับ